อาจารย์มีอะไรจะถามไหมฟังก่อนนะโอเคเกี่ยวว่าต้องการจะเปิดประเด็นก็เชิญถ้าไม่เปิดเราก็ต้องหาประเด็นเปิดประเด็นจะพูดวันนี้ก็คือความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งทั้งปวง รถแห่งธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงการจะได้รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็ต้องมีความยินดีในธรรมถ้าอยากได้รถแห่งธรรมแต่ไปยินดีกับรถของรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่ได้รถแห่งธรร ม, มเช่นคนอยากจะได้ความสงบแต่ก็อยากไปเที่ยว แต่ก็ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็ไม่เปี่วทางที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงต้องมีความยินดีในธรรมที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดรถแห่งธรรมนั้นเอง ธรรมนี้มีสองส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นผลคือรสแห่งธรรมคือความสงบที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขงังอันนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบการจะได้สัมผัสกับ ความสงบการที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องมีความยินดีในธรรมที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดลดแห่งธรรมนี้ขึ้นมาธรรมที่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรายินดีกันก็คือหนึ่งให้ยินดีกับความมากน้อย สองยินดีกับสันโดษคือตามมีตามเกิดคำว่าสันโดษแปลว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับจะมากจะน้อยจะดีหรือไม่ดีก็ยินดีเสมอเฉพาะมากน้อยสันโดษนี้ท่านจะเน้นไปที่ปัจจัยสี่เป็นหลัก ให้เรามีความยินดีมีความมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คืออะไรที่อยู่อาศัยยอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคมักน้อยก็คือเอาเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ต้องมีมากมีพออยู่ได้ก็พอ อย่างที่ในหลวงรัชการที่รัชการที่ก้าวส่งตันว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือความมักน้อยสันโดษนี่เองมักน้อยในปัจจัยสี่อย่ามักมากอย่าโลภมากอย่ามีบ้านหลายหลังอย่ามีเสื้อผ้าหลายตู้เอามีพอใช้พอใสอาหารก็ไม่ต้องมี มากไม่ต้องมีราคาแพงๆ อ, อาหารพอกินพอกินให้หายหิวได้พอรักษาให้ร่างกายหิวอย่างปกติสุขได้นี่คือมักน้อยแปลว่าเอาน้อยๆเอาเท่าที่จําเป็นตัวอย่างของความมากน้อยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามากน้อยใน ในปัจจัยสี่มีอัฏฐบริคารเป็นสมบัติมีสมบัติอยู่แปดชิ้นที่เป็นสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือหนึ่งบาทบาทหนึ่งใบเอาไว้สำหรับบินทบาทหาอาหารอาวุธเจ้าบอกให้ยินดีกับการบินทบาทลาบเหลือเฟือ รับรองได้ว่าจะไม่อดตายถ้ามีบาดตอนเช้าถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านเท่านั้นทับเดียวบาทก็เต็มบาทก็ล้นขึ้นมาเรียกว่าบาทวิเศษนี่เครื่องมือหากินของผู้มีความมักน้อยคือบาทหนึ่งใบกินก็ไม่กินมากเกินไปกินวันละหนึ่งมื้อก็พ อ, อมัมกน้อย สันโดดก็ยินดีตามมีตามเกิดอาหารที่ได้มาไม่จู้ที่จุกจิกไม่เลือกไม่ต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่บอกเขาไม่สั่งเขาบางวัดนี้มีเขียนเมนูจากญาติโยมเวลาบิณฑบาตเคยเห็นไมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่าวัดนี้ฉันบังสวิรัตเนี่ยเขียน เขียนกระดาษใช้ญาิโยมเวลาบินทบาทนนี่เรียกว่าไม่สันโดษแล้วถ้าสันโดษก็เขาจะใส่อะไรมาก็แล้วแต่เขาเราจะมังสวิรัติเราก็มังสะตามมีตามเกิดไปเขาใส่อะไรมามีผักมีเนื้อปนกันแล้วก็แยกเนื้อออกไปมันก็เป็นมังสะไปแล้วอไม่ไม่ควรที่จะไปบอกผู้ให้ว่า ผู้รับต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่หลักของสันโดษสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาใส่อะไรมาให้อะไรมาก็รับเอาไว้นอกจากสิ่งที่เป็นผิดพระวินยัยก็บอกเขาได้เช่นใส่สุรามาให้ขวดนึ่างนี้ อย่างนี้ก็บอกว่าสุรานี่ถวายพระไม่ได้หรือใส่ของดิบมาเนี่ยก็ไม่ได้ความจริงบิณฑบาตนี้ญาติโยมไม่ใส่ไม่ควรใส่ของแห้งเช่นข้าวสารของที่ต้องเอาไปปรุงต้องเอาไปหุงต้องเอาไปทำให้สุกนี้ไม่ควรใส่บาตรเพราะพระท่านไม่มีครัวท่านไม่เป็นพ่อครัว ท่านไม่มีอท่านห้ามไม่ให้ทําอาหารกินเองให้อาหารที่ได้จากการใส่บาตรต้องเป็นอาหารสดนอาหารที่กินได้แล้วก็ต้องเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อสัตว์นี้หรือไขน่นี้ต้องทําให้มันสุกอย่าใส่แบบสุกสุกดิบดิบเช่นที่เขาชอบทําเอ เนื้อย่างแบบมีเลือดอย่างเงี้ยเลือดไหลซิบๆอยู่อย่างนี้ยังถือว่าเป็นเนื้อที่ยังไม่สุกไข่ดาวก็ต้องให้มันแห้งให้มันแข็งไข่แดงต้องแข็งไข่ที่ยังเป็นเหลวๆอยู่ยังถือว่ายังไม่สุกกินอาหารดิบไม่ได้นี่คือสิ่งที่ญาติโยมอาจจะไม่ทราบ พระก็พูดไม่ได้ถ้าญาติโยมไม่ถามก็ต้องมาพูดตอนที่ญาติโยมมาศึกษาธรรมะเช่นตอนนี้ก็พอที่จะบอกได้แต่ตอนที่ใส่มานั้นบอกไม่ได้สายมาก็รับเอาไว้แล้วพอกลับไปวัดก็ค่อยไปดูอันไหนกินได้ก็เก็บไว้ดก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็ยกให้ลูกศิษย์ไปลาบของลูกศิษย์ไป น, นี่คือของที่ยังไม่สุกกินไม่ได้ต้องให้เป็นของที่สุกเต็มที่ก่อนอันนี้เป็นอาหารที่พระต้องทำตามพระวินยัยแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้ญาติโยมใส่ถ้าญาติโยมไม่รู้ใส่ก็ใส่ไปแต่ถ้าญาติโยมถาม หรือว่าถ้ามาฟังเทศฟังธรรมอย่างเช่นตอนนี้พอดีมีโอกาสได้พูดเรื่องธรรมะที่เกี่ยวข้องกันก็เลยไดอ้อธิบายให้เข้าใจไว้ของที่ทำให้มึนเมาก็ใส่ไม่ได้กินไม่ได้เช่นข้าวเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวที่หมักข้าวหมัก อ, อันนี้ก็เป็น มันก็จะมีเป็นสุราเป็นสุราขึ้นมาของมึนเมาของไม่สุขเต็มที่ต้องให้สุขเต็มที่แล้วก็มีเนื้อสัตว์สิบชนิดที่พระภิกษุห้ามฉันคือเนื้อสัตว์ป่าต่างๆเนื้อเสือเสือค้องเนื้องเออเอูเนื้ออะไรเนื้อหมีเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน ต้องไปเปิดดูในตำราจำไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้ก็ไม่มีใครใส่อาหารอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้เขาห้ามล่าสัตว์ป่ากันแต่สมัยพุทธกาลนี้มันชาวบ้านเขาก็ล่าสัตว์ป่าแล้วเขาก็เอาสัตว์ป่าเอาเข้าม า, เ, าเห็นพระมาก็เอาอาหารที่เขาทำจากเนื้อสัตว์ป่านี่มาถวายเอ พระถ้ารู้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่าก็ไม่ฉันอีกอย่างหนึ่งที่พระรับไม่ได้ก็คือถ้าญาติโยมทำอาหารด้วยการฆ่าเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ต้องห้ามเช่นเนื้อเป็ดเนื้อไก่แต่ทาเจาะจงเพื่อถวายพระนี่แล้วก็แจ้งให้พระทราบอย่างนี้พระก็รับไม่ได้ เชนญาติโยมบอกว่าผมเนี่ยทำแกงไก่หม้อนี้มาถวายพระโดยตรงข่าไก่ที่บ้านแล้วก็เอามาถวายพระโดยตรงถ้าทำโดยตรงให้กับพระค่าด้วยเจตนาที่จะเอามาถวายพระนี้ถ้าพระทราบก็บอกว่าไม่ควรแล้วก็ไม่ควรรับรับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปกติวิสัยของญาติโยมชาวบ้านที่เขาเวลาทํากับข้าวกับปลาเขาก็ไปยิงนกตกปลาหรือว่าเขาไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วทําเป็นอาหารที่เขากินเป็นปกติของเขาพอมีพระเขาก็เลยแบ่งมาส่วนหนึ่งถ้าทํามาโดยที่ไม่ได้เจาะจงตั้งใจมาทําให้กับพระโดยตรงนี้ ทำเพราะว่าเขาทำอยู่แล้วเป็นปกติคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระเป็นเหตุที่จะทำให้สัตว์ต้องตายจากจากาการมาเลี้ยงพระ <c oughs> อย่างประวัติหลวงปู่มั่นนี่ญาติโยมอาจจะเคยได้ยินตอนที่ท่านจะใกล้มรณาภาพเนี่ยท่านอยู่ในป่าอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านถ้าท่านมรณาภาพที่ในหมู่บ้านท่านบอกว่า เดี๋ยวชาวบ้านจะต้องคับวัวคาควายมาเลี้ยงพระมาต้อนรับแขกเลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมทำบุญมามางานศพกันท่านก็เลยบอกว่าพาให้ท่านไปตายในเมืองดีกว่าเพราะในเมืองเขามีโรงฆ่าสัตว์ที่เขาฆ่ากันตามเป็นปกติอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องการให้ท่านเป็นเหตุที่ทำให้ต้องให้สัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นต้องมาตายเพราะท่านท่านก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาพาให้ท่านไปในไปในเมืองไปที่วัดสุทธาวาสวัดป่าสุทธาวาสในตัวจังหวัดสกลนครเป็นที่ท่านมารณภาพาไปพอตายในเมืองในเมืองเขาก็มีงานศพเป็นปกติอยู่แล้ว เขาก็มีลงค่าสาัตว์เป็นปกติอยู่แล้วทุกอย่างมันปกติไม่ได้ไปทำให้เขาต้องอไปทำอะไรพิเศษให้กับท่านานี่คือความหมายานี่ขณะท่านจะตายท่านยังเป็นห่วงสัตว์เลยไม่อยากให้สัตว์ต้องมาตายเพราะท่านานี่คือเรื่องของเรื่องของอาหารที่จะถาวายพระ ก็พูดเป็นพอเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่โดยหลักของพระก็คือไม่พูดถ้าใครใส่บาตรอะไรมาให้ก็อนุญาตให้ก็ใส่ได้ถึงแม้จะผิดพระวินยัยมันไม่บาปสำหรับญาติโยมญาติโยมก็ได้บุญเพราะญาติโยมได้เสียสละข้าวของเงินทองไป อันนี้ญาติโยมไม่ผิดแต่ถ้าพระเอามาบริโภคนี้อาจจะผิดได้ถ้ามีข้อห้ามไว้แล้วเอามาบริโภคแต่ก็ถ้ามีโอกาสเช่นเวลาแสดงธรรมก็อาจจะสอนหรือ บ, บอกให้ญาติโยมทราบได้ว่าวิถีชีวิตของพระนี้ต่างกับวิถีชีวิตของญาติโยม การกินการอยู่นี้ไม่เหมือนกันพูดไว้เพื่อให้ได้เข้าอกเข้าใจพราญาติโยมก็มีปะความปรารถนาที่อยากจะเอื้ออำนวยความสะดวกความสุขให้กับพระแต่ถ้าทำไปแล้วไม่ได้ทำให้เกิดผลมันก็น่าเสียดายทีถ้ามีโอกาสก็ได้ก็ได้เล่าให้ฟังกันแต่ จะทำอย่างไรนี้ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีการเขียนเมนูบอกว่าต้องทำอาหารเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เช่นอาหารมังสวิรัตอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไ ม, ม, มพาบอกไม่ได้ผู้ขอบอกไม่ได้เพราะผิดหลักสันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิดนะ อย่างหลวงปู่มั่นถ้าอ่านในประวัตินี้ท่านไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาชาวป่าชาวเขาบางทีเขาก็ไม่รู้หลักพระวินยัยเขาก็ทําปลาราดิบมาถวายท่านก็ไม่รู้พอกลับมาถึงวัดถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นปลาราดิบวันนั้นก็เลยกินข้าวเปล่าไป <laughs> อกินไม่ได้ ถ้ามีลูกศิษย์ก็ยังพอให้ลูกศิษย์เอาไปทําให้สุขก่อนได้ถ้ามีลูกศิษย์อยู่เนี่ลูกศิษย์ดีตรงเนี้ยลูกศิษย์จะช่วยเอื้อให้พระได้ทําอะไรให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยกันแต่สมัยนี้ลูกศิษย์หายากเพราะว่าความเจริญทางโลกนี้มันมีมากสมัยก่อนนี้ความเจริญทางโลกมีน้อยคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือกันก็อยู่ได้ เนชาวนาชาวไร่ก็มีเวลาว่างที่จะไปรับใช้พระอยู่ที่วัดเนี่ยแต่สมัยนี้ลูกศิษย์แทบจะหายากเพราะว่าทุกคนโตขึ้นก็ไปโรงเรียนกันไปเรียนหนังสือไปอะไรกันเห็นพระเวลาได้อะไรมาที่ฉันไม่ได้ก็ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องสละไปถ้ามีลูกศิษย์ก็ บอกให้ลูกศิษย์ไปทำให้ถูกพระวินัยได้ น, นี่คือเรื่องของความสันโดดพระเวลาบินฑบาตนี้ท่านถือหลักสันโดดท่านจะไม่บอกขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วการขอนี่ท่านก็มีข้อห้ามไว้ด้วยคือท่านอนุญาตให้ขอได้จากญาติกับผู้ที่ปวรารณาตัว ญาติพี่น้องนี้ขอได้ถ้าขาดแขนอะไรเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาบอกญาติพี่น้องว่าช่วยหายามาให้หน่อยได้อยู่หรือบอกญาติโยมผู้ที่เสนอตัวไหวล่วงหน้าก่อนคำว่าปวานาก็คือเป็นการเสนอตัวไหวล่วงหน้าว่าถ้าท่านขาดแขนอะไรต้องการอะไร ขอขอให้โปรดได้บอกข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าขอภาวนาตัวนี้ก็อบอกได้ถ้ามีความจำเป็นขาดแคลนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่ส ม, มณะบริโภคไม่ใช่ไปขอรถยนต์ขออะไรที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมควรกกบส ม, มณะบริโภคก็ขอไม่ได้ อยู่ที่ญาติโยมจะภาวนาแบบไหนญาติโยมบางคนก็ภาวนาอย่างเดียวเช่นจีวรถ้าท่านขาดจีวรก็บอกได้จะหาจีวรมาให้บางท่านก็ภาวนาพาไปโรงพยาบาลหาอยู่หายาถ้าไม่สบายขาดยาหรือต้องไปโรงพยาบาลยินดีที่จะรับใช้อันนี้เดีย บางคนก็มีมีขอบเวลาด้วยบอกว่าจะยินดีทาอันนี้ภายในพรรษานี้พอพน้นพรรษาแล้วก็อาจจะไม่ไม่สะดวกที่จะรับใช้เขาก็มีกำหนดเวลาได้ด้วยกำหนดสิ่งที่เขาจะทำให้ได้ด้วยแล้วแต่ญาติโยมจะปะวนาอย่างไรบางคนก็ปวนาแบบเขียนเช็คไม่ต้องใส่เลขให ให้ผู้รับเอาไปใส่เขาเองต้องการเท่าไหร่ก็ใส่เขาไปเองอันนี้แบบเปิดกว้างเต็มที่นะเพราะว่าถ้าญาติโยมไม่ปารวาณาพระท่านก็ไม่พูดไม่ขอแล้วภาพบางรูปนี้ถ้าท่านถือสันโดษจริงๆนี่ถึงแม้ปารวาณาท่านก็ไม่พูดท่านถือหลักว่าไม่ขอขออยู่แบบไม่ขอ ขออยู่แบบตามมีตามเกิดก็มี น, น, นี่คือทำไมพระท่านถึงไม่ขอกันเพราะท่านต้องการเจริญเหตุคือความสันโดษความยินดีตามมีตามเกิดเพราะมันทาให้ใจสงบนั่นเองทำให้ใจได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ดีกว่ารสที่จะได้จากของต่างๆที่ไปขอเข้ามาสู้อยู่ตามมีตามเกิดดีกว่า ถ้าใจมันยอมรับกับสภาพมันก็จะสงบพอสงบแล้วมันก็สุขทั้งๆ ท, ที่มีร่างกายมันอาจจะอดอยากขาดแคลนแต่ใจมันกลับมีความสุขแต่ถ้าพลิกกลับอีกมุมหนึ่งถ้าไปมีความจู้จี้จุกจิ ก, อ ย, กอยากได้นู่นอยากได้นี่ถึงแม้ร่างกายจะได้สิ่งต่างๆที่ร่างกายต้องการแต่ใจไม่สงบใจมันก็อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ได้สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนั้นเพราะความอยากมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันพอได้คืบมันก็จะอยากได้สอกขึ้นมาเนี่ยท่านถึงต้องใช้ความสันโดษมากำลาบความอยากต่างๆเพื่อให้มันไม่เจริญ ง, งอกงามนั่นเองเพราะการเจริญ ง, งอกงามของความอยากก็เป็นความเจริญ ง, งอกงามของความทุกข์ของความไม่สงบของจิตใจ ท่านถึงสอนให้ใช้สันโดษใช้มักน้อยเอเพราะความอยากมันมักจะมากมากมีอะไรแล้วมันมักจะไม่พอมีรองเท้าคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากได้คู่หนึ่งได้สองคู่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้คู่หนึ่งเอญาติโยมมีรองเท้ากี่คู่กันนัรบรองได้ไม่มีใครมีคู่เดียวเนี่ยพระนี่มีคู่เดียวเนี่ยเชื่อไหม ตั้งแต่บวชมาถึงวันเนี้สี่สิบกว่าปีนี้เราใช้รองเท้าที่ละคู่เท่านั้นเองรองเท้าแตะมีอยู่คู่หนึ่งพอแล้วดูแลรักษาง่ายเอไม่ต้องมาคอยรักษาหลายคู่ใช้มันไปจนกว่ามันจะขาดจนกว่ามันจะทะลุบางทีพืช น, นี่ต้องเป็นทะลุให้มันมีรูก่อนะหรือมันลื่นมันเดินแล้วมันจะลื่นเพราะว่าไอ เอ้ไอมันมันไม่มีไอ้ความหยาบอยู่ใต้พื้นแล้วเดินไปพอไปเจออะไรเลื่นเลื่นนจะเลื่อนหกล้มได้ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันก็ไปลองเท้าเหมือนกันใหม่หรือเก่ามันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันนั่นเองนะนี่คือมักน้อยเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นกีวก็เอาหนึ่งสาลบก็พอ ผ้าตายหนึ่งชุดก็พอไม่ต้องมีหลายชุดไว้เปลี่ยนเอามันชุดเดียวนี่มีสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวสองชั้นหนึ่งผืนพอแล้วนี่คือเรื่องความมักน้อยในในปัจจัยสี่ญาตโยมก็สามารถที่เอาไปใช้เปรียบเทียบได้กินน้อย ลองหัดกินมื้อเดียวดูเร็วเลยไม่กินมื้อเดียวก็เอาไม่เกินเที่ยงวันเอาสองมือ้อ <c oughs> แล้วจะรู้สึกว่าชีวิตนี้สุขจิตใจจะเย็นสบายจะมีความสุขมากกว่ากิกนหลายๆมือ้อเพราะถ้ากินหลายมื้อใจมันจะมากังวลว่าเดี๋ยวมื้อต่อไปจะกินอะไรหรือเดี๋ยวพอเห็นอะไรอยากกินก็กินขึ้นมาทันที แล้วถ้าไปมูแต่หาความสุขจากการกินมันก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนั่นเองนั่งสมาธิสักพับก็สับสงบลนะถ้ากินอิ่มเกินไปกินมากเกินไปเวลานั่งสมาธินี่หนังท้องมันจะตึงอมันจะทำให้หนังตาย่อนนั่งแล้วเดี๋ยวก็ขอพับถึงต้องนั่งน้อย เ ม, มื่อเช้ามีญาโยมชาวเอ็นโดมาถามว่าจะทําไงแก้ความง่วงเขาง่วงนอนก็บอกว่าเดี๋ยวมาตอนบ่ายจะตอบให้ตอนเช้าไม่สะดวกกําลังชันอยู่เดี๋ยวเขามาถามฮถามวิธีแก้ความง่วงนอนการชันน้อยๆการรับประทานน้อยๆนี่ทําให้ไม่ง่วงนอนช่วยกําจัดนิวรณตัวะ ความง่วงเหงาเหานอนได้นั่งแล้วจะไม่หลับง่ายถ้าฉันถ้ารับประทานสองมือยังหลับอยู่ก็ต้องลดเหลือมื้อหนึ่งถ้ารับประทานมื้อหนึ่งยังง่วงอยู่ก็ต้องลดเหลือครึ่งมือกินครึ่งเดียวเคยกินเท่าไหร่ก็ลดปริมาณลงไปครึ่งหนึ่งถ้ายังง่วงอยู่ก็กินวันเว้นวันไปเลยอย่างนี้ รับรองได้ว่าความง่วงนี้จะหายไปเพราะเวลาร่างกายมันหิวนี้ใจมันจะนอนไม่หลับใจมันจะพุ่งมันจะคิดถึงอาหารการที่จะอดอาหารเพื่อแก้ความง่วงได้นี้ต้องมีสติกำลังพอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีสติกำลังเดี๋ยวมันจะคิดแต่เรื่องอาหารจนกระทั่งทนไม่ไหว ก่อนที่จะใช้มาตรการการอดอาหารได้นี้ต้องมีสติกําลังพอที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ใบหน้าคิดถึงอาหารต่างๆหรือถ้านึกคิดถึงอาหารก็ให้มีปัญญาให้มันคิดถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารแทนถ้าคิดถึงปฏิกูลของอาหารเห็นสภาพอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็รับประทานไม่ลงมันก็จะไม่อยากรับประทาน เช่นลองเอาอาหารต่างๆที่เราจะรับประทานนี้มาใส่ภาชนะอันเดียวกันแล้วคุกมันรวมกันเข้าไปก่อนที่จะให้มันไปรวมกันในท้องก็ให้มันรวมในภาชนะที่เราใช้ในการรับประทานก่อนก็ได้พอเอาของกรอบมาผสมกับของเปียกมันเละๆเยะแล้วก็พอเห็นอย่างนี้แล้วมันความอยากกินมันก็จะไม่มี อย่างนั้นเวลาอวอาหารนี้บางทีท่านนึกถึงอาหารในจานก็ต้องนึกถึงอาหารที่ไปรวมกันในท้องว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเวลาอาเจียนออกมานี่มันน่ารับประทานไหมนี่เรียก ว, ว่าการใช้ปฏิกูลละสัญญาอาหารเลยปฏิกูลละสัญญาการใช้การพิจารณาความไม่น่าดูน่ารับประทานของอาหาร จะช่วยในการอดอาหารได้จะช่วยในมาตรการแก้ความง่วงได้เนี่ยมันมีต้องสองชั้นด้วยกันวิธีแก้ความง่วงก็ต้องแก้ด้วยการไม่ฉันอาหารมากหรืออดอาหารพอไปอดอาหารก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาทาให้ใจพุ่งสร้างคิดแต่เรื่องอาหารทำให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหาร ก็ต้องมาแก้ด้วยการใช้สติหยุดความคิดนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาให้นึกถึงภาพของอาหารตอนที่มันไม่ไมไมน่ารับประทานตอนที่มันอยู่ในปากเคี้ยวเกลืผสมกับน้ำลายหรือตอนที่มันอยู่ในท้องหรือตอนที่มันขับถ่ายออกมาตอนถ่ายออกมานี่เราเรียกว่าอาหารเก่า การที่อยู่ในท้องนี่เราเรียกว่าอาหารใหม่นี่คือมาตรการที่จะต้องมาช่วยกันถึงจะแก้ปัญหาของความว่วงนอนได้ด้วยอีกวิธีหนึ่งก็แก้ด้วยการไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้าอยู่ที่น่ากลัวนี้มันจะไม่นอนมันจะนอนไม่หลับเช่นไปอยู่ในป่าช้าหรืออยู่ในป่าลึกที่มีสิงสาราสัตว์เนี่ย แล้วเราไม่มีที่มุงที่บังที่หลบเน่ยไปปักกดอยู่อย่นีไปแคมปิ้งอย่างนี้เป็นนับตองได้ว่าอาการง่วงนอนนี้จะหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมักน้อยนี่จะช่วยทำให้แก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้ถ้าเราบริโภคน้อยๆใช้ปัจจัยสี่น้อยๆ มันจะลดภาระลดปัญหาต่างๆได้เยอะที่อยู่อาใสยพระพุทธเจ้าก็บอกให้าพาไปอยู่ตามโคนไม้ไม่ต้องมาคอยดูแลไม่ต้องมามีภาระสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆไปหาที่อยู่ตามโคนไม้อาจจะเอาเอาไม้มาบุงมาบังหน่อยทาเป็นเพิงหน่อยก็พอกันแดดกันฝนได้ก็พอ ถ้ามีความมากน้อยใจก็จะได้มีเวลาว่างจากการที่เราจะต้องไปหาหนู่นหานี่มาถ้าต้องการมากก็ต้องใช้ความคิดมากในการหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการพอเรามีความต้องการน้อยก็เลยคิดน้อยคิดน้อยก็ทำให้ใจฟุ้งน้อยวุ่นวายน้อยก็จะทำให้การทำให้ใจให้สงบมันง่ายขึ้นนี่คือประโยชน์ของ ทำข้อที่หนึ่งที่สองก็คือความมักน้อยกับความสันโดษข้อที่สามที่ท่านให้เรายินดีก็คื อ, อ, อความความการปรีกวิเวกเให้เราไปหาที่อยู่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดห่างไกลจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ ย่งพระที่ท่านไปทุดงในป่าเนี่ยท่านไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดเพราะที่สงบสงัดวิเวกนี้เป็นสปายะสบายคาว่าสปายะก็สบายสบายต่อการภาวนาการทำใจให้สงบนี้จะง่ายไม่ยากสะดวกสบายสปายะ ต้องยินดีกับการปีกวิเวกถ้าเรายังไม่สามารถไปปีกวิเวกแบบอยู่คนเดียวได้อย่างน้อยก็ไปอยู่ตามวัดที่เป็นที่สงบก็เป็นการปีกวิเวกอีกระดับหนึ่งวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขานี้ท่านก็จะมีที่ให้เราปีกวิเวกกันที่อยู่ของคนกันะก็แยกกันอยู่ไม่อยู่ใกล้ชิดกันก็ ถ้าไปอยู่แบบนั้นก็จะต้องมีความยินดีข้อหนึ่งก็คือไม่คุกคลีกันถ้าไปอยู่ในที่ที่มีผู้ปฏิบัติร่วมกันหลายคนถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่ก็อย่าไปหากันอย่าไปเยี่ยมกันอย่าไปคุกคลีกันอย่าไปทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นไปนั่งคุยกันไปนั่งดืม่มน้ําชากาแฟไปเหมือนกับเป็นการสังคม อันนี้ไม่ควรจะยินดีไม่ควรยินดีกับการสังคมกันให้ยินดีกับการอยู่คนเดียวไม่คุกคีกันถ้าจำเป็นที่จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่ขนทนาคุยกันต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนไปจเจริญสติไปเพราะถ้ามาคุยกันจะไม่ได้จเจริญสติจิตจะต้องคิดปรุงแต่ง แล้วจะทำให้จิตฟุง้งเวลาแยากหลังจากเสร็จกิจกรรมที่ต้องทำแล้วไปอยู่คนเดียวจิตมันยังฟุ้งอยู่มันยังจะคิดถึงเรื่องที่พูดที่คุยกันอยู่และบางทีก็อาจจะเกิดอารมณ์บูดก็ได้ถ้าเกิดไปมีความเห็นไม่ตรงกรันมีการทะเลาะเบาแวงกัดขึ้นมาเน้นวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปคุกครีกัน แล้วจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาตามมาทากิจร่วมกันอย่างตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างมาทำกันต่างคนก็ต่างมานั่งกันนั่งฟังเทศเสร็จถึงเวลากลับก็แยกกันกลับกันไปอย่างนี้เรียกว่าไม่คุกคีกันถึงแม้จะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ตามผู้ปรารถนาลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนีตง้ต้องตัดสังคม อย่ายไปเก่งใจว่าเราเป็นคนนอกสังคมเป็นคนไม่สังคมก็ถูกต้องเราไม่ต้องการสังคมเราต้องการลดแห่งธรรมลดแห่งธรรมนี่เหมาะกับผู้ที่ตัดสังคมออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนนั่นคนนี้ดูพระพุทธเจ้าตอนที่อยู่ในวังท่านก็สังคมเต็มที่มีงานเลี้ยงแทบทุกคืน แต่พอท่านออกบวชแล้วท่านไม่สังคมกับใครแนละ้ไปอยู่คนเดียวเพราะว่าการจะทำให้ใจสงบนี้มันต้องอยู่คนเดียวไม่สังคมไม่คลุกคลีกับใครนั่นเองท่านถึงบอกว่าให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันนะยินดีกับการปีกวิเวกหาที่สงบที่สงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากรูปเสียงกิ่ดลดผลเถพระเพราะถ้าลองได้สัมผัสกับรูปเสียงกิ่นลดแล้วใจมันจะฟุ้งขึ้นมาใจมันเริ่มปรุงแต่งพอได้ยินเสียงก็จะปรุงแต่งไปกับเสียงนั้นพอเห็นรูปก็จะปรุงแต่งไปกับรูปแต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขานี้รูปเสียงกิดรดจะไม่มากระตุ้นความคิดปรุงแต่ง เพราะไม่รู้จะไปปรุงแต่งอะไรเห็นต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าต้นไม้เป็นต้นอะไรมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรก็ไม่รู้ก็เลยรู้เฉยๆไปไม่ปรุงแต่งนี่คือสี่ข้อแรกมักน้อยสันโดษปริกวิเวกไม่คลุกคลีกันเพราะพอเราได้ทำสี่ข้อนี้ข้อต่อมาเราต้องมีก็คือต้องมี ความยินดีในการทําความเพียรในการปฏิบัติในการสร้างธรรมะที่จะมาทําให้ใจสงบะก็คือให้ยินดีกับการสร้างธรรมะธรรมะที่เราต้องยินดีข้อต่อไปก็คือศีละให้ยินดีกับการรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้ได้ทุกข้อสําหรับนักปฏิบัตินี้ก็ต้องแปดข้อขึ้นไป ต้องถือศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่บเจ็ดขึ้นไปอันนี้ก็คือให้ยินดีในศีลเพราะศีลจะช่วยรักษาไม่ให้ใจไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาหรือห้ามไม่ให้ไปเอาเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้ในการที่จะมาทำทำสมาธินี้ ถ้าไม่ถือศีลแปลนี้ยังไปทำกิจกรรมอื่นได้เช่นยังไปงานสังคมได้งานเลี้ยงได้งานวันเกิดได้ไปเที่ยวมีเพื่อนฝูงอาจจะมาชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปได้แต่ถ้าถือศีลแปดนี้ก็ต้องปฏิเสธเข้าไปไม่ไปตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เสียเวลากับการที่จะมาเสริมสวยความงามทางร่างกาย เพราะเวลาจะไปข้างนอกก็ต้องมีการเสริมสวยทางร่างกายกันต้องหาเสื้อผ้าชุดสวยๆงามๆมาใส่ต้องเสริมสวยหน้าตาผมเผ้าก็จะเป็นการเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้เกิดลดแห่งธรรมนั่นเองศีลนี้ก็มีไว้สำหรับห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้จิตสงบ ต้องถือศีลแปดขึ้นไปหรือศีลสิบศีลสองอยยีิบเจ็ดตามฐานะของของของเพศถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีลแปดเป็นสมัมมณีก็ถือถิอ่นศีลสิบเป็นพระภิกษุก็ถือศีลสองรอยีิบเจ็ดไปให้เราหยิดดีกับการรักษาศีลเพราะศีลจะช่วยให้เราได้มีเวลามามา มาสร้างทำข้อต่อไปก็คือให้สร้างสมาธิพอเรามีศีลแล้วเรามีเวลาเราก็อย่าเอาเวลานี้ไปทิ้งไว้เฉยเฉยรีบเอามาสร้างสมาธิกันให้มายินดีกับการฝึกสมาธิเพราะทำที่จะสิ่งที่จะทําให้ใจสงบได้ก็คือสมาธินี่เองถ้าเราฝึกสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ พอใจได้สมาธิเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมในขั้นที่หนึ่งรสแห่งธรรมนี้ยังมีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือสงบแบบชั่วคราวเวลาที่เรานั่งสมาธิพอจิตสงบจิตก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมได้สัมผัสกับนัตถิสันติราลังสุขะ คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่การทำใจให้สงบนี่เองการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีเวลามาทำถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ถูกเพื่อนชวนไปนอนมานี่ได้เดี๋ยวก็เก่งใจคนนั้นเก่งใจคนนี้จัดงานเลี้ยงวันเกิดนะก็ต้องไปจัดงานเลี้ยงแต่งงานก็ต้องไปก็เลย จะไม่ได้มีเวลาม า, านั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเนาะต้องมีเวลาอพอมีเวลาแล้วก็ต้องมานั่งสมาธิบ่อยๆถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็ต้องหัดเจริญสติก่อนเพราะสมาธินี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นเหตุอีกสติคือผู้ที่จะหยุดความคิดต่างๆถ้าจิตไม่หยุดความคิด นั่งสมาธิไปจิตก็ไม่สงบถ้าไม่สงบลดแห่งธรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นมาดัางนั้นต้องฝึกสติก่อนถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบก็แสดงว่าไม่มีสติหรือมีสติกำลังน้อยกำลังไม่มากพอที่จะทำให้จิตสงบได้ก็ต้องมาหัดเจริญสติก่อนก่อนที่จะมานั่งก็หัดฝึกสติวิธีฝึกสติก็มีหลายวิธีด้วยกัน ในตำราท่านแสดงไว้ถึงสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสนะี่สิบเนี่ยกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นวิธีที่จะทำให้จิตมีสติที่จะหยุดความคิดต่างๆได้นะกรรมฐานที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆมากที่สุดก็คือการใช้พุทธานุสตนะิการระลึกถึงพุทธเจ้าเช่นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือ กายะกะตาสติคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นอันนี้ก็จะหยุดความคิดได้อันนี้เราสามารถเจริญสติสองอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาพอใจเริ่มคิดเรื่อง ด้วย เ, เปื่ยเรื่องเพอ้อเจ้าเรื่องเพอ้อฝันอะไรต่างๆก็หยุดมันอใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดนอกจากเรื่องที่จำเป็นต้องคิดจริงๆอก็ให้คิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดใช้พุโทโธหยุดไปตอนที่ไปทําอะไรต่างๆเช่นเตรียมตัวออกนอกบ้านหรือไปทําอะไรก็ต้อง ล้างหน้าล้างตาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเราเวลานั้นก็อย่าไปปล่อยให้ใจคิดด้วยเปล่อยใช้สติหยุดเหมือนใช้พุทโธหยุดเหนึ่งท่องพุทโธพุทโธไปเหมือนร้องเพลงไปในใจแทนที่จะร้องเพลงก็ร้องพุทโธแทนพุทโธพุทโธพุทโธไปอาบน้ําไปพุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันพุทโธพุทโธไป หวีเ้าหวีผมพุทธโธไปหรือถ้าไม่พุทธโธก็เฝ้าดูไปให้ดูให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กำลังหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายอย่าไปอยู่คนละที่กันใช้ใจอยู่ติดกับร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่ากายะกะตาสติถ้าใช้พุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติ ถ้าเรฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะอยู่กับที่มันจะไม่ลอยไปลอยมามันจะไม่ไปลอยตามความคิดต่างๆแล้วพอเวลามานั่งสมาธินั่งดูลมหรือนั่งพุทโธเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ <c oughs> ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็แสดงว่าไม่มีสติต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนพยายาม ทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกระทําหรือให้มีพุโทโธอยู่กับการกระทําแล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะไม่ลอยไปที่อื่นให้ดูลมก็จะอยู่กับการดูลมให้พุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธไปถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วจิตก็ต้องเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสงบนี้ก็มีสองแบบด้วยกันคือสอง สองระดับด้วยกันระดับปั๊บเดียวกับระดับยาวหน่อยถ้าสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าสงบแล้วนิ่งอยู่ได้นานเป็นอุบายขาได้นานกว่าป๊บเดียวก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินมีอยู่สองระดับด้วยกันสมาธินี่แต่สมาธิเราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิต้องการให้มันสงบอยู่ได้นา น, าน แต่เป็นธรรมดาเวลานตอนที่เราเริ่มตน้นเราจะยังเข้าไม่ถึงอับปัญหาจะเข้าถึงแค่คันนิกะก่อนแบบงูลแลบลิ้นพอสงบปั๊บก็ถอนออกมาเพราะกำลังสติมันหมดมันไม่มียังไม่มากพอมากพอที่จะทำให้สงบทันปั๊บเดียว แต่ถ้าเรากลับมาฝึกใหม่ฝึกสติต่อไปนั่งสมาธิให้ให้บ่อยขึ้นมากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเวลานั่งมันก็จะสงบได้นานขึ้นอันนี้ก็คือความสุขในระดับแรกเป็นความสงบความสุขในระดับของสมาธิยังเป็นความสงบชั่วคราวเป็นลดแห่งธรรมชั่วคราวอยู่เพราะว่าพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวเจตก็ ความสงบก็หายไปเพราะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดื่มอยากรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาความสงบที่ได้ก็จะหายไปพอเราได้ความสงบขั้นที่หนึ่งแล้วพยายามฝึกให้ชำนานก่อนอย่าพึ่งไปสู่ขั้นที่สองพยายามฝึกเข้าสมาธิให้ชำนาญให้อยู่ได้นานๆก่อน ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งเวลาไหนก็สามารถทำให้ใจสงบได้พอได้สงบแบบนั้นแล้วทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาปัญญาก็เป็นธรรมอีกชนิดหนึ่งที่เราควรยินดีอย่ายินดีเพียงแต่สมาธิเท่านั้นยินดีสีแล้วก็ให้มันยินดีสมาธิ พอมีสมาธิแล้วได้สมาธิแล้วก็ให้มายินดีกับการเจริญปัญญาต่อไปมาฝึกสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเรามีปัญญาปัญญาจะสามารถทําให้ความสงบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสงบที่ถาวรได้แมนนัติสันติปรังสุขขังอย่างถาวรไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นสุดต้องอาศัยปัญญา โยมไปหาที่นั่งที่อื่นได้ไหมเนี่ยไปนั่งที่อื่นก่อนไปเสียงมันลาคาญไปนั่งไกลๆตรงนี้เดี๋ยวมันก็ได้ยินเองอะไปนั่งพอไปไกลๆมันก็หายเองอะพอมันอยู่ใกล้มันก็ <c oughs> พอเสียงมันมามันมาเรารบกวน พูดแล้วงทีมันสับสนเเวลาแสดงธรรมฟังธรรมมันต้องอยู่ในที่มันสงบถ้ามันไม่สงบแล้วมันจะฟังยากพูดยากแสดงยากอันนี้ก็เลยต้องขอร้องท่านที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่สามารถอยู่ในความสงบได้ในขณะที่ฟังก็กรุณาไปนั่งที่ไกลๆหน่อย จะได้ไม่รบกวนผู้อื่นแพอเราได้สมาธิแล้วได้ความสงบได้ความสุขลดแห่งธรรมแบบชั่วคราวแล้วเราก็ต้องมาใช้ปัญญาเพื่อมารักษาให้มันเป็นลดแห่งธรรมที่ถาวรต่อไปปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้ลถแห่งธรรมที่ได้จากสมาธิเป็นลดแห่งธรรมที่ถาวรก็คือ ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นโทษเราจะรู้ว่าผู้ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิก็คือตัณหาความอยากนี่เองอันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันรู้ได้ว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วความสงบหายไปเพราะอะไรแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนท่านบอกว่ามันหายเพราะความอยากของเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตระ อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนความอยากสามตัวนี้เป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิพอเราได้สมาธิแล้วกันต่อไปเราก็ต้องมายินดีในธรรมยินดีในปัญญาเป็นธรรมข้อต่อไปที่ท่านสอนให้เรายินดียินดีในปัญญาให้มาฝึกเจริญปัญญาด้วยการสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ นั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราอยากจะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสพไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอความทุกข์ ตอนเสพนั้นไ ม, ไม่เจอความทุกข์เพราะเวลาเสพแล้วมันสุขนั่นเองเวลาอยากดื่มกาแฟก็สุกนะแต่พอติดกาแฟแล้วพอวันไหนยอยากดื่มกาแฟไม่มีกาแฟดื่มวันนั้นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาอมนี่คือต้องมองหว่ามันเป็นอนิจจังมันจะไม่ให้เราได้เสพตลอดเวลาต้องมีวันดีวันใดวันหนึ่งที่เสพไม่ได้บางทีมีกาแฟแต่ร่างกายไม่สบาย รับประทานไม่ได้ก็มีดองนั้นต้องมองความไม่เที่ยงของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะอยากจะเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็จะได้มีปัญญามาสอนใจว่าออมันเป็นทุกข์นะออสุเสบนัตถิสันติพลังสุขรังดีกว่าคือทากลับมาทาใจให้สงบดีกว่ามาหยุดความอยากดีกว่าโดยการใช้ อ, อ ใช้สติบริกรรมพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปแทนเดี๋ยวใจสงบปับความอยากก็หายไปทำอย่างนี้ทุกครั้งกับความอยากต่างๆ ต, ต่อไปความอยากมันจะหดตัวลงหดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหมดไปนี่คือความยินดีในปัญญาจะทำให้เราได้นัตถิสันติพลังสุขขังที่ถ้าวอน ถ้ามันเป็นความสงบที่ถาวรเราก็เรียกว่าวิมุตติวิมุตติก็เป็นธรรมอีกข้อนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เรายินดีกันให้ยินดีต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวิมุตตินี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใครทำใจให้สงบอย่างท่าวรด้วยปัญญาได้ก็จะได้วิมุตตินั่นเองพอได้วิมุตติแล้วก็จะเกิด ญาณนะญาณทัศนะขึ้นมาวิมุตติญาณทัศนะนะคือความรู้ความเห็นว่าไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราอีกต่อไปแล้วนอันนี้ก็ให้ยินดีทําอันนี้เพราะอันนี้เป็นธรรมที่สุดยอดรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่มีความทุกข์ในใจของต่อไปแล้วทุกต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วเพราะเรารู้จักวิธีกําจัดมันแล้วนั่นเอง เหมือนกับหมอหรือคนไข้ที่กินยาแล้วรู้ว่าหายจากยาโรคภัยหายจากการใช้ยาชนิดนี้นก็จะรู้ว่าต่อไปมันจะไม่เป็นโรคนี้อีกแล้วถ้าเป็นก็มียากินมียาที่จะทำให้มันหายได้อันนี้เรียกว่าวิมุตติยาณทัศนะอันนี้คือทำสิบประการด้วยกันที่ผู้ที่ต้องการลดแห่งธรรมนี้ควรที่จะหมัน่นเจริญกัน คือหนึ่งควรจะเจริญความมักน้อยสองสันโดษสามปีกวิเวกสี่ไม่คุกคีกันห้า <c oughs> ความเพียรสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาสร้างสันโดษสร้างมักน้อยสร้างการปีกวิเวกสร้างการไม่คุกคีกันต้องใช้ความเพียรแล้วก็มายินดีกับการสร้างสมาสีน สร้างศีลแล้วก็ยินดีกับการสร้างสมาธิแล้วก็มายินดีกับการสร้างปัญญาพอสร้างปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติพอได้วิมุตติมันก็จะยินดีนดขึ้นมาเองเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับวิมุตติการหลุดพ้นแล้วก็จะยินดีกับญาณอย่างทราบแล้วว่าต่อไปนี้จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป จิตของเราจะไม่กลับมาเกิดเองแน่นอนอันนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองเรียกว่าสันทิฏฐิโก่อยได้ปฏิบัติถึงขั้นวิมุตติได้ยานะทัศนะแล้วจะไม่ต้องไปถามใครแม้แต่พระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าก็ไม่ไปถามไปถามว่าข้าพเจ้าหลุดพ้นหรื อ, อยังก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วไปถามคนอื่นว่าผมกินข้าวอิ่มหรื อ, อยังคนถามค น, คนที่ถูกถามก็จะตอบ ว, ว่ามึงบ้าเปล่า มึงอิ่มไม่อิ่ ม, มไม่รู้เหรอใช่ไหมคนกินข้าวอิ่มต้องไปถามคนอื่นหรือเปล่าว่าแม่ผมกินอิ่มหรื อ, อยังต้องแม่ถามลูกต่างหากใช่ไมเวลาแม่ป้อนข้าวลูกถามว่าลูกอิ่มหรื อ, อยังแต่ลูกคนกินจะไปถามคนป้อนได้ยังไงไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า คนที่ได้ญาณทัศนะแล้ววิมุตติญาณทัศนะแล้วไม่ไปถามพระพุทธเจ้าว่ากับผมนี่หลุดพ้นหรื อ, อยังไม่ถามใครทั้งนั้นไม่มีความจำเป็นต้องถามใครนี่คือทมชนิดต่างๆสิประการด้วยกันที่เรียกว่าวิมุตติญาณนะที่เรียกว่าธรรมที่เราควรยินดีการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้ สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงถ้าเราไม่ยินดีเรื่องอื่นนะรับรองได้อีกกี่แสนชาติกี่ล้านชาติก็จะไม่มีวันที่จะได้มาสัมผัสกับรถแห่งธรรมได้ถ้ายังยินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยก็จะต้องยินดีกับพวกนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตายจากชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดเพื่อมายินดีกับราบยศสรรเสริญมายินดีกับรูปเสียงกดลิ่นรสผลตภะต่อไปอยู่ได้เรื่อยอเพราะว่าเวลามันทําอะไรแล้วมันจะติดนะติดแล้วมันก็จะกลับมาหามันอยู่ไดเรื่อยอ ติดรูปเสียงกลิพพ่นรสผดทธะก็ต้องกลับมามีร่างกายมามีตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิพพ่นรสผดทปะเพื่อที่จะได้หาลาบยศจัดลเสริญกัน <c oughs> ได้มามากได้มาน้อยเดี๋ยวตายไปก็ทิ้งไว้หมดเอาไปไม่ได้เมื่อเอาไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหามันใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เนี่ยเี่พวกเราเนี่ยกำเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้มาอันยาวนาน เพราะเราไม่มีความยินดีในธรรมนั่นเองเรายังยินดีอยู่กับลาบยศสรรเส ร, ริญยินดีกับรูปเสียงกิริยลดพุทธะอยู่ถ้าเราต้องการที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงเราก็ต้องเปลี่ยนความยินดีจากการยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในความสุขทางตาหูจมูกรินกาย ให้มายินดีกับธรรมสิทประการนี้ยินดีกับความมักน้อยยินดีกับสันโดษยินดีกับการปริกวิเวกยินดีกับการไม่คุกคีกันยินดีกับการทําความเพียรยินดีกับศีลยินดีกับสมาธิยินดีกับปัญญายินดีกับวิมุตติและยินดีกับวิมุตติญาณทัตสนาถ้าเรา ยินดีกับธรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็ขอให้ท่านจงนํนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแต่เวลาและโอกาสและกำลังแล้วสักวันหนึ่งท่านก็คงจะได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ an ิชิตังปะชิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยเก้าสิบสองยูทูบสอง้อสสิบสาวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้าผู้รับฟังบนเขาสามสิบหก รวมทั้งสิ้นหกร้อยเก้าสิบหกค่ะอ่เห้ทำไมเยอะเ c e b o o k เยอะนะเฟซบ o ๊วันนี้เยอะคะ่ะสามร้อยเก้าสิบสองค่ะแล้วยูทูบอะไ่สองร้อยกว่าค่ะสองร้อยส่สิบสามค่ะอ่ า, ออาวันนี้ใครอยากจะถามเมื่อกี้ท่านคุณผู้หญิงช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเพราะใหม่มันไม่ไหวกลาอาจา์ค่ะ เอ่อนั่วิปัสสนามานานยังหลับตลอดแต่เมื่อกี้นี่เห็นผู้ภาษาอังกฤษแล้วอยากให้พูดภาษาไทยอีกทีนะคะอ๋อก็วิธีแก้ความง่วงนอ น, นก็เมื่อกี้ก็ได้แสดงไว้ในธรรมช่วงแรกแล้วว่าเราต้องลดการรับประทานอาหารลงรับประทานให้น้อยต้องยอมอดทางร่างกายบ้างถึงจะทําทให้ไม่ง่วงถ้าเรารับประทานสามื้อก็ลองมาถือศีลแปด รับประทานสองมื้อเดียวถ้ารับประทานศี่แปดยังง่วงอยู่ก็ให้รับประทานมื้อเดียวถ้ารับประทานมื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็ให้รับประทานวันเว้นวันอย่างนี้ลดมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ง่วงแล้วถ้าช่วงที่ลดนี่มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะคิดถึงแต่อาหารมันจะฟุ้งมันจะไม่สงบ ถ้าเราไม่มีสติกำลังพอเราก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะแทนที่จะสงบมันกลับไม่สงบมันกลับฟุ้งซ่านเราก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆหรือถ้าเราสามารถคิดเวลานึกถึงอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในจานให้มันนึกถึงตอนที่มันอยู่ในปากตอนที่เราเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวผสมกับน้าลายแล้วลองทายคลายมันออกมาดู ดูว่าเราอยากจะกินมันไหมต้องเห็นภาพที่ไม่น่ากินของอาหารภาพตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วอัดเจียนออกมาหรือตอนที่มันถ่ายออกมาถ้า น, นึกถึงภาพของอาหารแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้ไม่อยากกินมันก็จะทำให้สามารถอดอาหารได้ถ้าหิวก็ดื่มน้าไปแทนน้ำก็ช่วยได้ แล้วก็ไม่ตายหรอกเนี่ยอาหารความจริงเรามีสำสำรองไว้ในร่างกายเยอะๆดีซะจะได้ลดปริมาณไขมันลดอะไรต่างๆสะสมไว้ในร่างกายดีไม่ดีจะได้หุ่นดีกลับคืนมาด้วยได้ความสงบแล้วยังได้หุ่นดีกลับคืนมาอีกแต่ต้องมีความกล้าหาญมีความอดทนะ นี่เป็นวิธีด้วยการใช้การอดอาหารถ้าคิดว่าวิธีนี้สู้ไม่ไหวก็ต้องหาที่ที่มันน่ากลัวต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวเช่นในป่าช้าในป่าเปลี่ยวที่มีสิงสารสัตว์ที่อาจจะมาทำลายแลาวร้ายเราได้พอมันอยู่ในที่อย่างนั้นมันจะมีความระมัดระวังมันจะไม่ไม่ง่วงมันจะตื่นแต่ถ้ามัน กลัวมากๆมันก็จะทนอยู่ไม่ไหวมันพ่อมันทรมานใจก็ต้องมีสติแล้วมีปัญญาเหมือนกันสติก็ต้องสามารถหยุดความคิดถึงเรื่องความกลัวต่างๆได้หรือถ้ามีปัญญาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายของเรานี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายถ้ามันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายเหมือนกัน ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ว่าเราอาจจะต้องตายตรงนี้ก็ได้แต่เรายอมตายเพื่อที่เราจะได้ธรรมะที่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าร่างกายเราก็ยอมตายพอเรายอมตายได้ปรงได้ความกลัวจะหายไปแล้วใจก็จะสงบความว่วงนอนก็จะหายไปเนี่ยพระที่ไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาอย่างที่ญาติโยมมีกันอยู่นี่ ปฏิบัติทุกคนนี้จะต้องเจอความง่วงนอนะก็ต้องหาวิธีแก้กันบางองค์ก็ไปเดินจงกรมทางเสือผ่าน เ, ออเห็นรอยเท้าเสือเดินไปเดินมาตรงไหนก็ไปเดินมันตรงนั้น เ, ออเพื่อจะได้เจอเสือหรือบางองค์ก็ไปนั่งที่ปากปากเหวถ้าเกิดง่วงคอปับก็ทิ้ลงเหวไปเลยเ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ, อย่างนี้รับรองได้ว่ามันไม่ง่วงหายง่วงทันที ถ้าพอมีภัยอะไรใกล้ตัวขึ้นมามันจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราปฏิบัติอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในห้องแอร์สบายนั่งสองนาทีก็ขอพับแล้วเพราะไม่มีอะไรต้องให้มาร ะ, ระวังมาให้หวาดกลัวกินข้าวอิ่มแล้วมานั่งสมาธิกี่ลายก็หลับทุกลายเข้าใจยังมีอีกไหมอยากกราบอาจารย์นะคะ กี้พระอาจารย์พูดแล้วแต่อยากให้อาจารย์พูดจาว่าทํำยังไงให้การเน่าวิปัสนาสมาธินี่ให้มันได้นานขึ้นโดยมีสติมากขึ้นก็ต้องฝึกสติบ่อยๆออกจากสมาธิก่อนเข้าสมาธิหรือหลังออกจากสมาธิก็ต้อง <c oughs> จเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้าใช้พุทโธก็หมั่นพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าใช้กายกตาสติ คอยเฝ้าดูร่างกายก็คอยอยู่กับร่างกายไปอย่าให้ใจไปที่อื่นแต่ใจเราจะไม่ยอมอยู่กับร่างกายไปตลอดอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวก็ไปที่นูน่นที่นี่แล้วต้องดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับร่างกายให้ม า, ม า, ม า, มากๆแล้วมันจะมีสติมากแล้วพอนั่งสมาธิมันก็จะสงบได้นานหมดแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยส่งไมโครโฟนกลับ ทาางบ้นคำถามจากคุณกฤิติมุกค่ะหากเราทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจฟังคำบรรยายหรือตั้งใจเขียนหนังสือแล้วเรากลับรับรู้ลมหายใจเองโดยไม่ได้ตั้งใจ แบบนี้เท่ากับเราไม่มีสมาธิในการอ่านฟังเขียนหรือทํากิจกรรมต่างๆใช่หรือเปล่าครับผมรู้สึกเองแบบนี้ไม่ทราบว่าคนที่เจริญสติเป็นกันหรือเปล่าที่ถูกควรปฏิบัติอย่างไรครับคือคําว่าไม่มีสมาธิในการอ่านการเขียนนี้ครจะเปลี่ยนเป็นไม่มีสติกับการอ่านการเขียนเราใช้คํำสมาธิผิดนสมาธินี้มันความสงบนิ่ง ใจเขาสู่ความสงบสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิถ้ายังทำอะไรอยู่มีสติรู้อยู่กับการที่เราทำอยู่นี้เราเรียกว่ามีสติเนี่ยเรามักใช้คำพูดผิดกันไปโดยพอพูดเรื่องสติเรื่องสมาธิก็เลยสับสนกันเนี่ยสมาธินี่ส่วนใหญ่ญาติโยมยังไม่เคยสัมผัสกันคำว่าสมาธิที่ใช้กันนั้นมันเป็นสติ คือการให้มีสติอยู่กับการอ่านการเขียนการฟังนี่เรียกว่าการมีสติคือไม่ให้ใจไปอยู่ที่อื่นไม่ให้ไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงถ้ากำลังฟังเทศอยู่แล้วไปอยู่กับลมหายใจจะฟังไม่รู้เรื่องนะต้องให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ฟังก็ให้ฟังเขียนก็ให้เขียนอ่านก็ให้อ่า น, อ, านอยู่กับงานนั้นถึงจะเรียกว่ามีสติพอมีสติเวลามานั่งสมาธิ ดูลมมันก็จะดูลมไม่เลยไปคิดอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบพอมันสงบแล้วเ็เรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาต้องทำความเข้าใจเนี่ยปัญหาของคนไทยเราศึกษาธรรมะก็ไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าใช้ภาษาสับสนกันไปไม่ความหมายเปลี่ยนไปหมด เวทนาก็กลายเป็นสมเพสไปสมเพสเวทนาไปแทนที่จะเป็นความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็กลายเป็นสมเพสไปอธิษฐานก็กลายเป็นขอไปแทนที่จะเป็นการทําอธิษฐานนี้เป็นการให้เราตั้งใจทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานแต่เรามาใช้อธิษฐานเป็นขอให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เลยเนี่ยไปไม่ถึงไหนกันเพราะภาษาเรามันเพียนไปหมดแล้ว พอมาปฏิบัติมันก็เลยปฏิบัติเพี้ยนกันไปหมดนะต่างชาตินี่เขาโชคดีเขาแปลตรงถูกตัวเลยภาษาฝรั่งเวทนาเขาเรียกว่า feeling เนี่ย feeling แปลว่าอะไรความรู้สึกอธิษฐานแปลว่าอะไร resolution เนี่ยอ่านภาษาธรรมะภาษาอังกฤษมันเข้าใจง่ายกว่ามาอ่านภาษาไทยพอมาอ่านภาษาไทยมันสับมันมันซ้อนกันมันมีหลายความหมาย เลยทําให้ผิดไปหมดสังขารก็ผิด่ะสังขารในขันขันห้านี้เรียกว่าความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นร่างกายสังขารร่างกายร่างกายในขันห้าเราเรียกว่ารูปเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดอ่านธรรมะศึกษาธรรมะมันก็เลยงงไปหมดเลยไปไม่ถึงไหนเพราะว่าศัพท์ของเรามันมันซับซ้อนกันแล้วก็เลยทําให้ อ่าจแล้วฟังแล้วเข้าใจผิดไปหมดเลยสติก็กลายเป็นสมาธิไปขึ้นมาเนี่ย ป, ปัญหาของคนไทยศึกษาพระธรรมจากภาษาไทยแล้วงงถ้าไม่ถ้าไมา่ไม่ตั้งใจค้นคว้าความหมายของแต่ละความหมายถ้าไปเอาความหมายที่เข้าใจมาใช้กับความหมายในธรรมนี่มันจะไม่ตรงกันแล้วมันจะทำให้ปฏิบัติเพี้ยนไปได้ไม่ได้เกิดผลขึ้นมา คำถามจากคุณชรินทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราจะเตือนแม่ในเรื่องที่ผิดได้ไหมคะถ้าเราเตือนแล้วท่านไม่ฟังยังทำเหมือนเดิมคนเป็นลูกก็ไม่สบายใจเราควรปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือไม่เจ้าคะเกิดโดยมารยาทแล้วเราไม่เตือนผู้ใหญ่เราไม่สอนผู้ใหญ่ อย่าาผู้ใหญ่เขาไม่ถามเราเราก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดเขารู้ทําไมเขาจะไม่รู้เขาสอนเราเขาเป็นอาจารย์เราเคยเห็นน้ําตกมันไหลขึ้นไหมน้ําตกมันมีแต่ไหลลงฉันใดผู้ใหญ่เขาก็สอนเด็กเด็กไม่ต้องไปสอนผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่เขารู้คําถามจากคุณธิดาขอกราบเรียนถาม เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งกุฏิแยกจากกันมีป่าล้อมรอบมองไม่เห็นกันไม่มีการใช้ไฟฟ้าในที่พักใช้แสงเทียนหลังจากนั่งทรวัดหลังจากทำวัดนั่งสมาธิจนถึงประมาณสี่ทุ่มล้มตัวลงนอนได้ยินเหมือนโดนปาฝากุฏิ และมีเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าร อ, รอบรอบที่พักวนอยู่หลายรอบพอสมควรโยมภาวนาพุทโธแต่ไม่อยู่จึงอารัธนาความเมตตาของพระพุทธองค์จิตจึงเข้าสู่พวังและหลับไปอยากทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือเป็นการจัดฉากค ะ, ะเราเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องพิสูจน์ดูเลยใช่ไหมมันก็จิตอาจจะอุประานสร้างขึ้นมาก็ได้เป็ น, นอา เป็นอาการปุงแต่งของจิตขึ้นมาก็ได้ดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ไปอยู่ว่ามันจริงหรือไม่จริงแก้ปัญหาด้วยการทำใจของเราให้สงบพอสงบแล้วก็ไม่มีปัญหามันจะจริงไม่จริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างที่คุณแก้ด้วยการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทำให้จิตสงบได้ก็โอเคพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนหวาดกลัว อยากจะละนับความกลัวก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วจิตก็จะสงบตัวได้หรือถ้าจะใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันถ้ามันยังไม่ดับก็ถ้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตาก็ให้รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันอยู่รู้ว่ามันอยู่รู้ว่ามันยังไม่ดับอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้มันดับ ถ้ามันจะมาทําอะไรก็ใช้ปัญญาปองไปว่าเอ่าร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ตายห้ามมันไม่ได้อยู่ดีอันนี้มันก็แก้ปัญหาได้ปัญหาของเราไม่ใช่ไปค้นคว้าว่ามันเป็นจริงแล้วไม่จริงปัญหาของเราคือว่าทำไงให้ใจเราไม่กลัวมันทําให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายไปกับมันอันนั้นต่างหากคือ คำถามที่เราควรจะถามออ ค, ำคำถามจากคุณวิโรธกลับเรียนพระอาจารย์การที่เราพุโทโธตลอดแสดงว่าห้ามไม่ให้ไปคิดใช่ไหมครับทั้งคิดดีและไม่ดีอาก็ถ้าคิดพุดโทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นได้เปล่าได้ไหม ถ้าเรากําลังเรียนอ่านหนังสืออ่านตำราอยู่แล้วเราไปคิดถึงแฟนนี่มันอ่านตำราลู้เรื่องหป่าปมันไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ได้อ่านแล้วมันอ่านแต่มันไม่เข้าไปในใจใจมันไปอยู่กับแฟนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใจเราอยู่กับพุทโธเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราแล้วก็ดังที่สุดมันก็จะหายไปถ้าเราไม่เอาเข้ามาในใจคําถามจากคุณปอ น้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับขอเรียนถามผมให้ทานอาหารคนขอทานคนเดียวกับการให้อาหารสัตว์เป็นพันเช่นนกมดและสุนัขและสัตว์ต่างๆผลบุญผลทานจะได้มากน้อยต่างกันหรือไม่อย่างไรครับมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนผู้รับมันอยู่ที่จํานวนผู้ให้มั่นใจไหมให้มากให้น้อยให้จํานวนเดียวกันให้คนหนึ่งกับให้สิบคนคนให้ก็ได้บุญ เท่ากันอยู่ดีคนรับจะแย่ถ้ารับคนเดียวก็ได้เยอะหน่อยถ้ารับสิบคนก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นสิบส่วนฉะนั้นคนให้นี้ไม่ว่าจะให้สิบคนให้ร้อยคนให้คนเดียวถ้าให้ปริมาณเท่าตัวปริมาณเดิมก็ได้เท่าเดิมไม่ได้มากไปกว่าเดิมถ้าอยากจะให้การให้ของเราได้บุญมากกว่าเดิมก็ต้องให้เพิ่มมากขึ้น ให้มากให้สองเท่าก็ได้บุญสองเท่าให้สามเท่าก็ได้บุญสามเท่าไม่ใช่อยู่ที่จำนวนคนรับว่าคนรับหนึ่งเท่าหรือสองเท่าหรือสามเท่าลับบุญเราจะมากขึ้นไปตามจำนวนของผู้รับไม่ใช่อยู่ที่การให้ของเราการเสียสละของเราคำถามจากคุณสถาพรกราบนามำสการครับเห็นความคิดเกิดดับขอโทษนะคะเห็นความคิดเกิดดับ เหตุใดจิตจึงยังไม่เบื่อนายการคิดปรุงแต่งครับเพราะมันเป็นอความยินดีของใจไงยินดีที่จะคิดยินดีที่คิดเรื่องการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเยอะมันยินดีกับสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่เบื่ อ, อพอให้มาคิดถึงทางธรรมมันเบื่อเลยอพอให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเบื่ อ, อ ถามท้าคิดถึงกระเป๋ารองเทาง้าคิดถึงที่ท่องเที่ยวนี้ไม่เบื่อคำถามจากคุณฟูที่พระอาจารย์เคยเทศว่ามีใครมาทําร้ายให้หลีกหนีห่างไม่ตอบได้เพราะจะไปสร้างกรรมต่อแต่ถ้ายังตามมาทําร้ายอีกไม่หยุดจนได้รับความเสียหายอย่างนี้ผู้ถูกกระทําอาจเจ็บทั้งกายและใจแล้วอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรครับเออ เจ็บทางกายแต่เจ็บทางใจนี้แก้ได้ถ้ายอมให้เขาทำมันก็จะไม่เจ็บทางใจถ้าเราคิดว่าเป็นการใช้นี่เป็นกรรมเก่าที่เราไปทำเอาไว้แล้วกรรมมันตอบมาตอบสนองก็ยอมรับกรรมไปมันก็จะเจ็บทางกายแต่ทางใจจะไม่เจ็บเพราะมันดีใจว่าเออกรรมจะได้หมดสักทีกับโล่งอกซะอกีกพอยอมรับโทษแล้วมันโล่งอกใครลองทาอะไรผิดแล้วพอยอมรับผิดดูสิ ใจเบาขึ้นมาเลยถาว่ายอมติดคุกก็ยอมว่ายอมโดนด่าก็ยอมวอาพอยอมปั๊บนี้มันก็เย็นเลยยอมหยุดเย็นนะนั้นเรื่องของใจนี้เราต้องยอมรับยอมรับกรรมของเราผลกรรมของเราจะทํากรรมอันไว้อันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอถ้ามันถ้าพยายามหนีมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ะ อย่างพระโมกขลาะนะนี้ท่านเป็นถึงพระอาหารหันต์มีมีควิเศษมีมีอิทธิฤทธิปาฏิหารสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ท่านบอกว่าถึงแม้จะใช้สิ่งอันนี้มาช่วยให้หนีกรรมมันก็หนีไม่พ้นหนีได้วันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ท่านก็เลยยอมตายท่านก็เลยถูกเขาฆ่าตายหรอสึกตามประวัติแต่ใจท่านไม่หวั่นไหว วัจท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วแต่ร่างกายนี้มันยังต้องใช้กำของมันอยู่ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้กำมีเทวทัตมามาพยายามฆ่าถึงสามครั้งแต่พระพุทธเจ้าง้อไม่ตอบโต้หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็เหลือหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ประเชิญกับมันไปคำถามหมดแล้วคะ่ะดีมีใครอยากจะถามอีกไหม ถามได้นะไม่คิดันแลวไม่คิดเงินเดี๋ยวส่งไ a i ไปหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะพกลๆปากหน่ะยค่ะ เ, เจอมดกับมแมลงเนี่ยจะเจอกันบ่อยมากเรบบาบังเอิญไปทำให้มันตายบ่อยมากจะทำไงดีคะอาจารย์ก็รับกรรมไปเลยต่อไปก็ต้องไปเป็นมดมแมลงอออ ถ้าไม่อยากจะไปรับกรรมก็อย่าไปทํามันะวาดมันไปไล่มันไปจุดยาไล่มันไปหรืออะไรก็ได้วิธีไล่มันแต่อย่าไปฆ่ามันไล่มันได้กวาดใช่ไมมกวาดไล่มันได้เสร็จแล้วก็ฉีดยากันแม้มันขึ้นได้แต่อย่าไปทําให้มันตายเพราะว่าทำเขาแล้วก็จะต้องถูกเขากลับมาทำํำเราอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมกามแมลงร้อยตัวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมแมลงร้อยครั้ง ง้มันได้ไม่คุ้มเสียยอมเสียดีกว่ายอมให้มันอยู่กับเราดีกว่ามันอยากจะอยู่ก็อยู่ไปมันก็มีจิตใจเหมือนเรามันก็ต้องการมันต้องการที่ปลอดภัยอยู่เหมือนเราก็คิดว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกันให้มันอยู่ไปหรือไม่เช่นนั้นก็หาวิธีห้ามไม่ให้มันขึ้นมา อ่าต่อไปจะคุณจตุรนกราบนมัส ก, การถามหลวงปู่ครับระหว่างที่ภาวนาพุทโธแล้วเหมือนเกิดปัญญาแวบเข้ามาเรื่อยๆแล้วพุทโธต่ออย่างนี้เป็นการกำหนดผิดไหมครับอ่าผิดอย่าให้มันพุทโธอย่าให้มันอะไรเข้ามาให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวพุทโธไปอะไรจะเข้ามาก็อย่าไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วมันจะไม่พุทโธมันจะเสียสติขาดสติแล้วมันจะไม่สงบ ถ้าอยากจะให้มันสงบนี้ต้องอยู่กับพุโทโธไปอะไรจะเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าตามมันไปคำถามจากคุณเบรซี่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการพาสัตว์ไปคุมกำเนิดด้วยวิธีการผ่าตัดทาหมันถือเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปไม่ได้ฆ่าเขาหมดแล้วใช่ไหมโอเคจะถามคำถามเลยอ คำถามก็มาถามเลยไม่ต้องเขียนมาทางบันไดนี้ก็ได้ทางด้า น, นได้ส่งไมครอโฟนให้ตรงนี้ก็ได้ข้างหลังเนี่ยพูดใกล้ๆปากเลยนมันสการค่ะพระอาจารย์ใกล้ๆปากเลยตัวนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าคำว่าพุโทโธเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นบัญญตัติแต่ ตัวเองนี่ก็จะประมาณแบบรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกเงี้ยค่ะได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้พุทโธ<ะ>มีสี่สิบอย่างด้วยกันให้ใช้คะ่ะพุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้กาบนมันสการค่ะได้เหมือนกันยุบ ห, หนอพองหนอ ก, ก็ดูลมนี่แต่ดูที่ท้องลมเข้าก็พองลมออกก็ยุบก็เป็นการดูลมเหมือนกันแต่ ไม่ได้ดูที่ปลายจมูกถ้าดูที่ปลายจมูกก็จะรู้ว่ามันเข้ามันออกเวลามันเข้าก็จะรู้เวลามันออกก็จะรู้ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> วันแล้วนะคำถามเอ่อก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน